ก็ขอโกัสราชาชนขอโอกาสพอถิดได้พอเถิอได้ที่ชุดรูปพ่อวันดีได้โอกาส ชีวิก็มีแต่ พิเศษที่ทางการได้ให้โอกาสสังสอนควบคุมสุขภาพการทางความสงบใจทางการเป็นผู้ที่พุ่ง้อยากให้่านที่ได้มาพบผ่านพบเจอกันได้มีโอกาสที่จะไดุ้พ้นออกจากกองทุก แต่ได้อย่างหมดจดร้อยขอ้อกันขามแต่เราทราสันๆที่ว่าเ ร, เราจะม้นั่งคำสอนที่องค์หลงพ่อได้ให้สอนให้อบอรมที่มีตาบอกสอนอาจารย์ขาอาจจะบอกสอนด้วยคำพูดแต่สวนมากหลวงพ่อก็เป็นคนที่บอกสอนในการกระทํา องหลวงพไม่ง่ายเลยที่ว่าคใครๆก็จะสามารถที่จะทนทุกขเวทนาได้ขนาดการทานก็ทําให้ดูทําให้เห็นเป็นภิกษุไ ข, ข้ที่หมู่พยาบาลหมู่พระอุปถัมภ์หมู่พยาบา ล, าบาลที่โรงพยาบาลก็สัรเสริญว่าเป็นภิกษุไ ข, ข่ดี่ดูแลหน้าผู้ที่อดทนผู้ที่ นะถ้าเราข้อสังเกตให้ดีเนีท่านก็ข้อสมบัิคือกำลังไม่ว่าจะเวลา ไ, ไหนๆบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเลยก็บอกเลยว่าคนที่อยู่ใกล้ชิด เ, เราก็จะเห็นอะไรวนะ่าท่านเคยเห็นหนังสือภาพลักของพ่อกับหนังสือเนี่ยก็เป็นอะไรที่ติดกันแต่ไม่ใช่อากาศระดั เป็นวิหารธรรมตลอดสิ่งที่คืนต่นมานแล้ว เสียโอกาสแล้วก็เสียชื่อที่เรียกว่าิสไซน์บุญแต่เราอยาให้พลาดโ อ, อกาส น, นบางแห ล, แแล่งแต่ท่านแต่ละคนก็อาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆแต่จะใช้ภาระหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างให้กับการสุขจิตใ จ, จกันดูแลจิตใจ หลีกออกจากทางแห่งความดีมีกออกจากทางแห่งมั่งแน่นอนแหละมันไม่ได้ชุดกระชาติให้เราออกจากเส้นทางอย่างเหมือนกับว่าออกนอกทางออนอกเส้นทางออกนอกเรืเ่องแขับรถออไปแบบส่วนเรื่องมันก็ไม่ใช่มันจะ ค, ค่อยๆ เร่ oh, เราไแหละไม่ได้พุ้ฟังแล้วก็พุ่ความใจเราด้วยแล้วก็ให้เรื่องเรื่องที่เราจะมีสินภาษาสิที่ดีแน่นอนแหลแต่ละคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างสถานะก้าวก็สสอง้อสิบเจ็ดหรอกแม่ชีเนี่ยออกก็สิบแปดหักท่านทั่วไปถ้าสิ้า แรงอย่างน้อยสิบสี่ห้ามันก็สำคัญใ น, นสีคือความเป็นปฏิติภพที่ดีจะเรามีสิบห้าที่มันบริบูรณ์นะถาเราขึ้นชื่อว่าเราก็ยัง อ, อ, อ, อ, อ, งงอยู่ในกรอบอยู่ในกรอกของขาที่มันจะนำพาเราไปอยู่ในกรอกของความสุดสุดในโลกนี้สุดในโลกหน้า ศา ส, สนาใช่ไหมเราจะแบ่งเปนอะไรบอกศีลแล้วก็ไปสมาธิแล้วก็ไปปัญญาใช่ไหมแลว้วอาจจะดูเหมือนว่าศีลนั่นก็ถ้าเปรียบเทียบก็คือเรี่ยวต่ำสู ง, งเรี่ยวต่ำสูงแลปัญญาก็คือเรี่ยวระดับสูงสุดแล้วถ้าความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะสูงจะต่ำ สำคัญสำคัญเสมอกันเราจะมีปัญญาแต่เราศี่รบริบูรณ์ปัญญามันก็ายเป็นาท่ า, านนารีนเาก็จะมีสตัวนะความฉลาดทางโล ก, โลกเรารก็ใช้คาว่าปัญญาเนาะตจริงๆนะความฉลาดในภาษาบาลีเนี่ยนะเา้คำว่าเชโกความฉลาดแปัญญาแต่ว่ารู้รอ อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชนความฉลาดนี่มันไม่ได้มีคุณธรรมกันกัดมันก็ทันดีบ้างไม่ดีบ้างเพรเวลาที่เราเป็นผู้ที่มีศีลเนี่ยเราก็บอกว่าศีาาลอาจจเบื่อสำหรับธรรม ด, ดาธรรมดาก็ใครก็ทำได้จริงๆไม่ใช่หรอแม้แต่เพื่อนก็ดิบันทำศีลก็เป็นเรื่องที่สําคัญ ขาไม่ได้เลยถ้าสีระบบต้องมันจะเข้าสมาธิทำความสงบใจมันเป็นเรื่องยาก ง, ไงา่ไม่ได้เนี่ยภายนอกเราก็ต้องมีสีเนี่ยที่เป็นข้อตะเพื่อคุณกรอบเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้ใจเราน อ, อยู่บนฐานเดิมความดีถ้าสีเราอ็รูร้กูเราก็อานผ่าจิตใจเราก็มีเครื่องที่เครื่องควรที่ม เวลาเราเข้าสมาธิทาความสงใจนว่าันก็มันก็มีตรีะที่ว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมะขะโลโคติมข้ามชั้งโซ่สีที้อาสมาธิที่สีอบลมดูแล้วก็มีดลมากที่สุดใหญ่ทัไปมันก็เป็นเป็นคำพูดเนาะ ถ้าเราให้มันเลือกซื้อละเอียดดีกว่านั่นก็คเราต้องไม่ใช่เข้าใจจริงแต่ความเชคิดเราลองเอาไปขัดไปพับไ ป, ไปปริบัติไปแเราก็าจะเห็นผลจริงว่าเวลาที่เรามีเรื่องมันไหวขึ้นม า, านจากการที่เราหน้าที่การงานกา็ดีทําให้ถ้าเราเทียบกับการที่เรารักษาสิ่ีดีกับตอนที่เรารักษาสิ่งดี มันมีผลกระทบต่อจิตใจที่มันค่อนข้างต่างกันแต่ก็อย่างที่บอกนันแหละจะต้องออกหลักธรับอันนี้เราก็าได้เห็นย้อนไปถึงประสบการณ์เราว่าเออประสบการณ์ในช่วงที่เรามีสิลที่กันดีในช่วงที่สิ่เราไม่บริบูรณ์มันมีผลต่อจิตใจของเราอย่างไรบ้างต่อจิตใจมันก็อย่างที่พระเจ้าตรัสไว สีดัเปลาปสาิมลโลโติอรสงบก็คือสีที่อบรมสัสมาธิดีแล้วก็มีผลมากสมาธิว น, นจะมีผลม า, ากามีกำลงมีความสมบุบใจที่ดีอยเวลาที่เราทำผิดเเป็นคารว่าทีห้าท่านก็ให้ปับใจแล้วก็มาอรัธนาสี จริงสียงไม่ได้อยที่พระสีอยู่ที่ตัวเราเองการที่เรามารัตนาสีนั่นคือเป็นการที่เราจะตอกจำจิตใจลงไปนี่แห ล, ละวะาะะา่าเราจะรักษาสีนั้นให้ดีห้าข้อเรักษาเป็นการแสดงความตั้งใจต่อพระที่ให้ที่หรือพระเป็นตัวยางว่าเราจะรักษาห้าข้อให้ดี แต่จริงๆไม่ม ร, รเราก็ทั้งตั้งขึ้นใหม่ของเราเองก็ได้แต่สหรับพระก็จะมีที่นละเอียดขึ้นตามพระวิ น, ะนัยบางก็แสดงอาบัติกันอาบัติที่มันหนักขึ้นก็มีวิธีออกจากอาบัติไปลายอย่า ง, างจนสุดท้ายถ้ามันอาบัติถึงที่สุดแล้ว สรมรราันก็เป็นตัวขั้ก็ได้นะาสามารถปฏิบัติทำได้ครับอันนี้ก็ทำความดีอยู่ในสถานะไหนก็ทำได้เรามีข้อประทึกปฏิบัติที่มันดีอกน่นก็สามารถที่จะทความสงบใจในอย่างที่หลวงพ่อสอนง ทมันลงใจมากกว่านี้นะให้เราก็อยากไปใช้คาว่าให้ใจมันมันรู้สึกไปกับพุโทโธให้ใจมันรู้สึกไปกับพูโทโธจะบอกว่านึกพุโทโธมันก็ใช่แต่ไม่พุโทโธแต่ใจมันเลื่อนลอยเรือเ่องก็ได้เราทางานเครียดเราอยากจะชอบความ สมองก็มโตไปได้แต่ใจเร า, เาเรก็ไป็นเงินเดือนเนี่ยถ้าเราส่งความรู้สึกในใจดีเราก็จะเห็นว่าใจของเราเนี่ยสัดสว่วนแน่นอนเนี่ยมันอยู่ในมุโทโนแต่สัดส่วนเนี่ยจาการ้อ ย, ยมันอาจจะอยู่กับมุโทโตเฉพาะหน้าที่เรากาลังบริการสักยี่สิบสาบก็ได้หรือาจจะอยู่แบบ0กสก็ได้อันนี้เราก็ต้องสำรวจใจเราบครั้งเราบอกว่าเราทางข้าว แล้วเราก็คุยกับเพื่อนด้วยแน่นอนแหละมันก็ต้องอแ บ, บ่งแ บ, บ่งความสนใจอะไใช่ไหนน้ขัดขันมันก็อยู่กับสิ่งที่ฟังอนนันอนอ้มันก็ทำทั้งสองสิ่งจะได้พร้อมๆกันแต่อาจจะขัดกั บ, บไอ้สิ่งที่เรียก ว, ว่าจิตมีสภาวะรับรู้เพียงอย่างเดียวนะอันนี้ก็ก็ลาเาไว้วก่อนเพราะความโทษเรียบรนะ้อยแหละมันต้องทได้สองอย่างสามอ ย, า ง, อ ย, า, งอยางพร้อมกันแต่นี่เราก็คุยตาม สภาพความจริงอะไรที่เราเป็นเพลินดนีจะได้เข้าใจที่มันอาจาที่บอกอว่าขณะที่เราวุดนวายใจเราต้องพออกไปจากความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พาให้เราเป็นเพลินดึกขึนก้นมาจากเสี้นจากสิงกส่งที่ดูปกญหทีนี้เราก็อยากจะรักษาใจแล้วก็พุกโท้พุกโท้พุกโต้พโุโต้แต่เราต้องสั่งสำรว แน่นอนแหละคนที่พูดโทแล้วมันสมมุกใจได้ก็มีมป็าพูดโทรแล้วสมมุกใจได้ดียิ่งดีหน้อยเพราะอะไรเพราะความสส่ใจใจมันถึพูดโทรศัพท์ได้เพราะนั้นเหตใจเรามันรู้สึกแน่เลยพูดโทรได้มัน่งดี น, นี่ทให้เราเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเรและสาคัญก็คือความตั้งใจความใส่ใจ ที่เรามีให้กับผูดโทพดันั้นตัวความตั้งใจความใส่ใจมันจะเป็นตัวที่ดึงใจเราจากเรื่องที่เรากระดดิกก็ดีเรื่องที่เรากังวลก็ดีดึงมันจากอะไรับวันแน่เลยครับพูดโทรไปบางคนอาจจะพูดโทาคนด็อาจจะดูร้องวันนี้ก็เป็นเพื่ออยู่นะก็อาตาแตะเท่านั้นบางนอาจจะเขอาโทออกหรือว่าหายใจเข้าพูดโทรหายใจออกพูดโท ร, อ, จจ อ, โทรอันนี้ นี่มันจะเป็นเครื่องมือทำความสงบใจแต่อารมณ์ใจที่เราได้ย้อนกลับมาตั้งนั้นอยูในภายใน น, น, นี้เนี่มันเป็นตัวสำคัญมันเป็นความความดีงามแท้ๆของเราความสงบใจไม่ได้อยู่ที่พุทโทเนีมันอยู่ที่อารมณ์ใจของเราทีา่มันสงบไดสงบกระกำจากเรื่องวุ่นวายต่งางๆ เม่ว่าจะเป็นฐานตาหูจมกูกลิ้นกาสงบไปสงบก็คือไม่ได้ส่ใจเลยไม่ได้ส่ใจความส่ใจเราย้อนกับมาตั้งมันขึ้นข้างในบางทีเราสงบแล้วใจเราตั้งมั่นแล้วเราก็ส่อารมณอยู่ไห้อาจจะพุดโษกับออกไว หรอส่งอารมณ์กำกับอารมณ์เอาไว้กับตัวรู้ตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องไปดิ่งพุโทโธขึ้นมาอก็ได้เนื่องเราเห็นแล้วเห็นถึงความที่อารมณ์ท่านมั่นดีแล้วอยดี ใ, ใจความสมุกใจเห็นว่าเอออารมณ์ใจเราไม่หวั่นไหวเราก็มีสติคอยกำกับใจอยู่อย่างนี้เลยเราะมันก็จะเหลืออยู่เพงที่ว่าเราคอยสติ ที่ดูแลรักษาใจมีสติทำกับใจของเราให้ใจของเรามันแนบไปกับสติเพลาะเราก็จะยิ่งสใจของเราชา้าขึ้นเรื่อยอารมณ์ใจของเรากับสติมันก็จะลกลนกลืนไปเรื่อยแต่สำคัญอีกอันนึ่งก็คือสติมันก็มีหลายๆ ล, ลักษณะ จะพูดแบบไม่ได้ไม่ไดิตำราบาง ก, ก็ขออภัยนะอั น, น้พูดจากแบบที่เคยทำเคยอะไรมานะอาจจะเหมือนบ้างเหมือนบ้ า, างานันนี้ก็ขอให้รักแล้วก็เอาไปรอพิจงงารณาซึ่งเาที่เรามีสติกนะ็คือเรามีเครื่องเริ่มฉะสติของเราเนี่มันก็จะมีทั้ง ความสิ่งที่มันเพ่งเพ่งเกัดเป็นสติที่มันรู้อย่างเพ่งเพ่งเเป็นสติที่มันรู้อย่างตลอดโปรต์อดสบายก็มีแล้วก็เป็นสติที่มันจะมีเหม้อนเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมนีจเรามันก็ส่งบอกไปเพ่งอยู่กับพุทโธส่งบอกไปเพ่งอยู่กับลมหายใจ ดังนั้นก็เรียกว่าส่งในเนาะมันจะไปส่งออกจากจุดที่มันควรจะดีส่งที่ไปหาโถทุกโถส่งที่ไปหากระดับททหายใจมันสัส่นสะทัด ส, สายขึ้นเลยแล้วเราก็ดึงมันเข้ามาในซึ่งทนี่พอดึงกลับเข้ามาคือถอนออกจากทุกโถถอนออกจากลมมาตั้งเป็นความรู้สึกเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ ผู้รู้สติในตอนที่มันถอนรอจากพุทโธพอดีถอนออกจากลมทอดีมาตั้งอยู่เป็นผู้ดูผู้รู้อย่างนมันก็สว่ขึ้นมีสติการเป็นรู้ทีันสว่งขบอกหลงขึ้นแล้วมันก็เป็นสภาวะที่มันเป็นสติของการตื่นตื่นจากที่มันจบลงไปน ขอบโยนสวัสิ์ในสติเพื่อนในสติมีคุณภาพนะเราสามารถทําแบบนี้ได้ในสติมีคุณภาพแต่มันก็จะขับให้จิตใจของเรามนะันมันเป็นจิตใจที่มันตื่นไม่จมใน อ, อารมณ์แม้แต่จมอารมณ์จะในภายในก็ไม่จมเองการที่เรามีสติอูี ที่นาื่นมันรู้นะมันสว่างแก็กำกจัดใจไปกัใจไปแล้วก็ดูไปอันนี้ก็สำคัญให้เราค อ, อยดูตรงนี้เฝ้าดูไปเฝ้าดูเฝ้าดูไปัไป้งหดทั้งมวนั้นก็ไม่ได้ไปอยู่ไกลหที่การกัใจหลก็ นเราจะเห็นได้ว่าคนใจนั้นสำคัญเนี่ยเวลาที่ใจเรามัสงบจากภายนอกแล้วเนี่ยจะมาตั้งอยู่ในภายในเนผู้ดูผู้รู้ใจมันก็สงบเยื้องออกไปใจมันก็สงบเีื้องๆออกไปชุ่มเย็ยนขึ้นมาใจมันชุ่มสว่างขึ้นมาแต่เราก็ไม่ได้ไปแต่งอนะระ ไม่ชุม่มไม่สว่างเร่ของบันเราต้องยิ่งที่จะรู้กุบกันรู้กุบบันสําสำคัญก็คือว่าสติที่มันตื่นรู้สว่างเนี่ยเราก็คอยจะให้มันเกิดขึ้นเอย เอาแค่นี้มันก็ทําให้เห็นถึงว่ามันก็พออยู่พอกินเป็นโลกในี้นะความสุขใจอย่างนี้มันก็พออยู่พอกินมีตลอดให้พิจารณาย้อนไปถึงความสุดบนโลกไปนี้มันเทียบกับอันนี้ไม่ได้นะปร อ, อยยัดอะไรในสุขของ ทีนนังจะใช้คำว่าสงุขสงก็ไม่อยากใช้แต่ก็ไม่รู้จะใช้อธิบายยังไงแต่ว่ามันไม่ามันเป็นความสุขอีกนมาแต่ความสุขที่มันได้จากการที่เราสมบระดัตั้งมากอย่ภายในมันเป็นความสุขที่มันสมบสะอาดมนเสื้อผ้าเราอยากใส่ของสุขรก สอาดแล้วนยโอ้หเห็นเลยว่าโอ้ยเสื้อ้าสกปรกเราเอาไปซักอ่านี้ผ้าเนี้ยจีบอ่อนมาอทีมบอป่าจมาผ้าเนียวเนมากเนีเขาไม่ดลมอร่าเงยมันก็จีบอักเงาราวงานทางานอ่าเหนือข้างนอกเนี่ยเสื้อผ้ามันก็ี เสื้อผ้าเหียงสอาเสื้อผ้าสะอาีเห็นแล้วก็มีิ่นที่ิดีก่ อ, อมแต่จะสูสับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าความสุขในภายในี่มันเกิดขึ้นมันสวาน่างมันสว่าทำไมเราถึงไม่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆอันนี้มันก็แปลกที ย, ยหมือนกันแต่ถ้าจะ หาคำตอบมันก็ขี้เด็กันและขี้เด็กแล้ก็พาให้เราเรียกว่ามีโมหะคืงความหนงห ล, หลมีอภิชาคือของมไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้นั้นมันดีไงรู้ว่ามันดีแต่มันทาให้เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นความสุขสมงบอันนี้เนี่ยมันยังอยากทิจเอาไว้ก่อนมันมีความสุขจากการทำรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เฉพาะหน้าที่มันดึใจเราแต ควารู้สึกอยากจะเสียรูปเสียว่างร่วงสมภที่มันมากขึ้นแล้วเราก็แบ่งเวลาให้กับธรรมะในการรักษาใจรักษาความเสงบอยู่ถ้าเราเห็นอย่านี้แล้วเนี่ยต้องรีระวังเลยระวังบ้างแน่นอนแหละมันเป็นแค่อาจจะเป็นชิ้นเล็กๆที่เรารู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่เราค่อย ันั้นสมาธิเรียกว่าผัดวันก็กันพุ่งนะผัดทีเรื่อยๆผัดไปวันหนึ่งแล้วก็ผัดไปวันหนึ่งผัดไปวันหนึ่ง้นนงก็ผัดไปดวันนึ่จนบาทีนีนะ 3-4 สามสี่ใบแล้วยังไม่ได้นั่งสมาี่ กลับมาทำความเสียใจแนะ่นอนแหละมันอาจจะเรีนดูแบบว่าไม่ได้ไร้แรอะไรแต่จุดเริ่มต้นของความเสื่อมไร้แรมันอยู่จุดนี้เลนะมันไม่ได้ไปวัดการนำดีก็ไปฆ่าคนหลัมันไม่ได้ไปวัดกันอยู่วานที่เราไปคุมคยมาทางไกมันก็เริ่มจากจุดตรงนี้จุดที่เราเริ่มเริ่มอ อ, ออกจากความเสื่จุดที่เราเริ่มออกจากทางความดี ที่เริ่มจากการที่เราละเลยสภาวะจิตใจสภาวาที่เราจะขาดความสใจเรืงน้เพียงกมันก็คลายดังนั้นคนที่น่เคืเข้าสมาธิคนที่ร่วงวายับการยามที่ใจมันก็ส่ออกเรื่อยวาสบออกเรื่อยแน่นอนและสติมันก็สบหรือล้วก็มีสติอยู่นะก็ใช่แต่ย้ำเว่า ทุกคนมีสติหมดและไม่ใช่าไม่มีเป็นคนที่จะปบ้าบนะแต่สติที่เรามี่ที่เรารู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราละเอียดอะไรจริงๆแล้ว เ, เราแยกมันได้ไหมว่ามันเป็นสมาสติหรือว่ามันเป็นนิจฉาสติอันางที่สำคัญสุดๆเลยใครๆก็รู้จักวราเจ อ, อเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอันนี้อื่เรากำลังทาอะไร มีสติที่จะเห็นไหมว่าส ต, ติตอนนั้นมันเป็นสมาสติหรือเป็นวิชาสติให้คำถามก็คือว่าแล้วเราจูเร่งไงว่ามันเป็นสมาสติหเป็นวิชาสติก็ อ, อวกัน เป็นไปเพื่องวาักไม่เหลือเป็นไปเพื่อผลิตภัณฑทั้งนี้มันแน่นอนยู่เป็นสมาสติสตทิที่เราเห็นใจกัน สายใจที่ดีขึ้น อ, อียขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไม่สำรจเราก็จะคิดว่าเรามีสติคอยกำกับใจตลอดเได้แต่ก็อย่างที่บอกมเลยมีสติกขกับใจบบไหนแบบพิชาลุกดั บ, บสัมมาเพราะนั้น ส, สัจจะบอกเลยว่าคนเรา เ, เข้าใจว่าเรามีสัมมาสติกำกับใจอยู่ตลอดจริง ถ้าเราสำรวจใจดีมันอาจจะเป็นมิจฉาสติก็ได้ให้เรายึดให้เราถือให้เราสังคัญมัดหมายแง่แต่ความดีหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบเราจะทำให้ดีหลังนี้เนี้อ เ, เป็นไปเป็นไปด้วนความยึดความถือความยึ ด, ยดนั่นสุดมากทน่ไอที่เหน็นจะเอาข้ออ้านมาข้ออ้านว่าเฮ้เราทาที่ เราทำงานให้มันจะเป็นด้วย น, นะเราก็พยายามทให้มันดีรับผิ่ชอบกันงานดีนักสุขอะไรแต่ถ้าเราสอบไปเราละเอียดของเราเราละเอเีดมีระหว่างที่ที่เอียดมันตอบรับให้เราทําให้ดีให้เราเราบผิดชอบให้ดีอันนี้คือศักยภาพนะแต่อันนะี้มันก็ต้องแส ง, ง, งละเอียดกันมันเอาเราทุกทางไปเราทำความดีเราก็มีความแบบว่ายินดีในสิ่งที่เราทํา มีตัวตนดีของของเรานะของเราความดีของเราแล้วก็ยึดถือความดี น้ำไฟลมต่างๆในโลกใบนี้เราไป ไ, ป ไ, ปไนน่ด้เงินทอบ้านดานี้เอาไปได้ เ, เอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่แม้แต่ที่เราคิดว่าเราทำดีแล้วมีคน ส, สรรเสริญเรามีคนนับหน้าถือตาในความดีที่เราได้ัำสุดท้ายเราตาแไปเราพดนพระพ ให้ใครเป็นคนการันตีให้เราเราการันตีตัวเองได้ถึงแม้ว่าใครจะมาการันตีให้เราก็ตามแต่สุดท้ายเรายังมีเรื่องที่กระทบใจอยู่มันทือเรื่เชื่อว่าเราก็ยังต้องศึกษาต่อไปไนะไมชื่อเราเป็นผู้ที่จบการศึกษานะไม่ใช่ตรากใดที่มันยังเปเรื่องกระทบใจปรักไดที่เราเป็นเรื่อง ที่เราจะไ้เห็นคืทั้งหมดทั้งมมาคือว่าถ้าเราไม่ไม่ดูใจตัวเงเราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเราดูใจตัวเองเข า, าก็จะเห็นท่าเป็นกระทบใจไหมีความเป็นเราอยู่ตรงไหนบ้างมีความที่เรายึดถืออะไรไว้บ้างมันมีความยึดความถือเั่นคือเขาสอบอะไรพ่อเขาจะคอยบอกอยู่เรือ่อยๆนะเ้าทำานได้ขอสอบเขาสอบมันก็มาในในหลายๆรูปแบบอะไรเพียงแต่เราสังเกต ถ้าเราคิดว่ามันคือข้อสอบไหมทีนี้ถ้าเราสูดใจคิดได้ว่ามันคื่ข้อสอบที่เราต้องทำให้ทำอ่านไมน่ได้เราพยายามแก้ขัขจิตใจไดปพราสิสู้ไม่ไหวเราขอสมาธิ้วยก่อนทำความสงบใจไว้ก่อนถ้าเราพิจรารณาให้มันเห็นถึงความไม่มีที่ถึงถึงความไม่มีสาระเกิดสารแล้วใจของเราก็ ไม่เปเกาะเกีเ่ยวกับเรื่อ ง, งนั้นได้โอ้ยน่นเสแ ล, แล้วก็ย่มสู้ได้แล้วย่มสู้ชนะแล้ว่ถ้าสู้ได้เอา ส, เอาสิเอาใหญ่เลยโซยสู้เลยอีแหลแกเลยแต่ถ้ายังสู้ไม่ได้ก็ข้าศหลกมันก็ป้องค่ายไว้มไม่เสียหลักนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักการทำสมาี่ไม่รู้จักทำความสงบใจอทีนี้ ไม่มีที่อยู่ไงไม่มีที่อยู่สู้อะไรฮะไม่มีที่กำบังสิ่งดบายัอจากพิภพง่ายรเพราะฉะนั้นเนี่ยความสงบใจก็เป็นสิ่งจเป็นที่ยวยุ่คนที่จะตั้งใจฟังพ้นทุกข์ให้กับตัวเองจะบอกว่าจิตมาธิจิตมาี่อะไรก็แล้วแต่ไม่มีสมาธิมันไปสืบพันผ่านไม่ได้เพราะนั้นจิตสมาธิสาคัญ อย่าละเลยที่ทำคือว่าเรามีสัสมาทิฏฐิเราจำคอสงบใจดีแล้วเนี่ยเราจะพัฒนามันยังไงเอาความสงบใจที่เรามีอารมณ์ใจที่เราสงบแล้วเรารักษามันได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้เราก็กำหนดไว้ตั้งไว้มีสติอรักษาใจีสติรักษาใจอานีอารมณ์ใจก็เสถียรมาอย่าทีนี้ไงแล้วก็ โลนิสโงมานสิการแปลเป็นไทยว่าการกระทำไว้ในใจโดยแยียกขายถ้าจะพูดให้มันเป็นภา ษ, ษาสมัสยใหม่ก็คือเราแส่ซอฟต์แวร์เราลงในใจคือเราไม่ได้พิจรารณาที่หัวสมองะอนะพิจรารณาของสมองก็ส่วนแต่ถ้าเราจะพิจรารณาให้มันสนับสนิยนั่ น, นคือพิจรารณานน ใ, นในใจเราเพราะนั้นเราก็มีคำว่าโลนิสโง มนักการมีการกระทำไม่ได้ ใ, ใจเปิดแยก่างก็จะแตกรันถ้าเเราตั้งตั้ง ม, มองเอาไว้ผมว่าเราตั้งมอว่ามันเป็นอนิจจังหรือความไม่เทีย่ยงเอาเอาตัวนี้กำกับใจเราอะไรกำกับอารมณ์ใจเราไว้อันนั้นมันมีอะไรที่มันมากระทบใจเราก็มีซอฟต์แวร์ตัวนี้กำกับใจไปแล้ว มันก็เป็นอย่างที่เห็นแหละคือมันมีภายใต้สารวัลย์รัศดาคือย่เที่ยงอินทุกรัตตาคือไม่มีตัวตเพราะมันไม่มีสาระเทสารมันไม่มีตัวคนที่มันเที่แค้ถาวรเราก็จะเอาใจไปผูกไว้มันก็ใช้ที่แน่นอนแหละมันก็ไม่ได้ง่าย ทางเนี่ยที่มันเรว่าเข้าสมาธิความสงบใจแล้วมันจะทันที่สุดได้าช่ไหมครั่กต้องามาพิจารณาให้ใจของเราเนี่ยไม่ใช่อันหลแต่ก็ ชื่นใจิตใจอะอยนเงนก็ันก็่ปกใจเแต่เ ร, รู้ถ้าเราทําเกิดพฤตกรมดีแน่นอนให้มันเป็นเครื่องปูุกใจรเราแต่รู้ว่าถ้าทาอย่างนี้แล้วมันดีเกทแต่ว่าผลที่มันจะดียงงเยอยะราไมา่ได้ดูแต่เราดูว่าถ้าทเเาเขียนยเียมาันดีแค่ไหแล้วมันเขีย ถึงว่าท่งที่สุดเห็นทุกมนก็จากทุกอน่างมันก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่โอ้แตคิดดูสิพระพุดดยธเจ้ามันเป็นบริมีสีะสมไขแสงมหากับเพื่อเขาเพิ่มจุดๆนี้แหละ ผู้ชาไม่ได้สอนอะไรเยาะทยาทได้ทุกคนเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้ผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้ทำได้ทุกคนเลยแต่ที่ทําได้ทุกคนแต่ทําได้ดีมันก็มีไม่กี่คนไทงทำให้มันให้มันดีอ่ะทำให้มันถูกอะ่ะถูกกับเกิดถูกอะ่กอ ะ, อะทำแค่เส้นบางๆกัน เส้นประปางเทือที่มันจะเป็นตัวตัดสินก็คือใจนี่ความตั้งใจที่มันแนบไปกับการงานที่เรากําลังทำอยู่นี่ถ้าใจของเราเมันแนบไปกับพุโทโธใจของเรามันรู้สึกไปกับลมหาใจใจของเรามันรู้สึกไปถึงกับพุโทโธแล้วมันก็นนกลืนดืนะ่มไปตาอันนี้ดีไหมเแต่ถ้ามันอยู่กับพุโทโธแล้วมันก็ร่งางร้ยนที่ ใช่เราเปงคนทุกข์ตรงไหนแต่คนทุกขอยู่ตรงไหนไหมคนทุกข์อยู่ไหนอุาลาคนทุกอยู่ไหนอุทบโกคนทุกมนไม่อยู่ไหนีใจเราถ้าเราไม่ดีใจเราจะเป็ทุกไม่ได้ไปแล้วนะให้มันจกัใจมีสติคอยจำกัดใจเราอยู่ตลอดแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทาไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ว่ามันมีเครื่องล่อเรา เพราะไม่ใครก็คุยโทได้ไงครๆก็ดูดวได้ทั้งนั้นเลยจะทาให้ถูกถ้ทาทำให้มันได้อย่างมีคุณภาพทาให้มันได้อย่างตอบเนี่ยมัน ง, ง่ายเพราะมันมีตัวกิเลสแบบที่มีนมาคอยเป็นอุปสรรคให้มัน ท, เ, นนนทเรื่องนั้นตั้งให้มทเรื่องนี้บ้างทุกานก็ี้เกียวบ้างเ เพิ่มขัดขวางความดีของเราเพราะไม่ให้ทายกันเลยอย่าไปให้ทยยายเลยขเกียร์หรือว่าทำสู้กันขี้เขียร์หรือว่าทำอกกรดขยันแล้จัดนไปเลยขยันแล้วว่าทขี้เกียร์แล้วว่าทำทำจนเป็นนิสัยไปเลยขี้เขียร์แล้าไม่มีเวลาลวก็ต้องหาเวลาสับ ในเวลาเราก็จัดหนักไปเลยทำให้มัน ใครมาทานก็เหม้อนมีส่วนพร้อมอยู่แล้วใครมาทุกท่านเห็นแว่นตาใครมาทุกท่แนเห็นแว่นตาอันนี้มันเป็นความแว่ตตาของอิงใหญ่กันแต่หมายถึงว่าก่อนที่ท่าจะเห็นแว่นตานท่ห้เข้าสมาธิต่อยอยู่ตลอดอร้อมอยู่แล้ลลลลลครูบาอาจารย์เราเป็นครูบาอาจารย์ชัดเล ถ้าเรายิ่งทำแลายิ่งทำได้ดีใช้คลากับท่า น, นกับท่านผพ่ อ, อยิ่งดีใจเลยมพ่อเปนคนที่ไม่ ไ, ได้อิชฉากครให้อิชารู้สิษย์เลยนีสํ สียล้านไม่มีนี่จะคอยจะส่งเสริมส่งเสริมตามความถนัดของ อ, องค์นั้นๆไปเป็นความยิ่งใหญ่ของอพ่อเราไปสักการะนะแล้วเราก็มีครูอาจารที่ดีสุดๆแอยู่แล้วแม้ว่าขพ่อจะ พ่อพ่อจะมีแต่เห็นว่าสุแท้าวันที่พระรัตนภัยมาก็ไม่รู้ว่ามีแต่ว่าจะเป็นหลอกลูกหลานๆมาจะสามารถมาในช่องที่หลวงพ่อไปได้ไหมช่องสุดท้ายที่หลวงพ่อที่ไม่ให้คื อ, คอช่องที่ลูกหลานทา่านผ่านผ่ได้อยู่แล้วจะไปช่องนั้นไดนไหม มันคือว่าไอคอน เส้นทางม no ulations, success, profiles, ันก็เป็นเส้นทาของความสุดยอดนะแต่ไม่ใช่เป็นเส้นทางองเนเส้นาี่มันจะเพิ่มภูมของสุดทางใจทำไมเราถึงจะขี้เกียจทำไมเราถึงจะไม่รีบทำธรรมะใช่ายิ่งทามันก็ยิ่งมีความสุดทางใจมากขึ้นยิ่งทําัก็ยิ่งมีความสุดทางใจละเอียขึ้นแต่บางทีมันอยู่อากี่ยวกันอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่สนใจ เจะให้เราไม่เห็นความสาคัญไม่เห็นความสุขที่มันเนกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดึงดักรถของความสุขเะาเรียก ว, ว่าอังตัรถหรือว่ารถของธรรมรถของธรรมกเรื่องต้นก็นความสแค่เพียงแค่ความส สามารถที่จะชดระให้ใจของนอนเราเนี่ยมันไม่เกาะเกี่ยวกับเพื่องใดๆได้เปใจที่มันสว่างเป็นใจที่มันสะอาดบริสุทธิ์แบบนี้ยิ่งดีสุดๆเลยและวก็อย่างที่บอกย้อนกลับมาถึงวั น, นให้เราคอยมีสติเหกับใจหยุดเรือ่อยใหเรามีสติเหมืกับใจอยู่เรือ่อยๆแล้วก็สําคัญก็ตรง ใช่แต่เราล ะ, ละเลยการ ร, ารักษาสีการเป็นพืชของเราอันนี้ก็มันจะไปได้ไม่ดีแล้วก็มันจะไปไม่ได้ในระยะยาวแล้วมันจะเสื่มลงเสื่มลงดังนั้นสเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้สัาธิไม่แพ้ปยยัญญาบางทีเราอาจจะลืมไปเราก็ไปเน้นเนข้าสมาธิเปเน้นเนข้าพิจะะารณาแต่ นั้นเมนเราสร้างบ้านเราก็ต้องสร้างบ้านในเเข็มันเป็ีเราะฉะ้นสีมนันก็เหมนเป็นเสาเขของเราเพราะฉนั้นถ้าเรามีสีที่มันดีสีที่มันบริบูณเราทำผิดอะไรไว้เราทำกีดแบบไหนล้วก็ปับบงให้มันดีทำให้นถึงทหนุใจอาใหม่ทห้มถงทำหนุนใจใหม่ว่าเราจะทคำพลาดทาผิดอะไรไว้เราก็จะ นะครับเขาเล่นสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เพื่อเป็นสิ่งที่มันถุกแล้วเราก็จะได้นํำคาความสนุกใจที่ต่างๆไร้ไร้เครื่องออ้องอไร้เครื่งองคำนวณซึ่งการที่เรามีสิ่งที่มันบรบูรณ์มันก็เป็นเครื่องที่คอยกำกับใจให้เราไม่ มีสติคอยจดกับใจดีแล้วเนี่ยก็ทำให้มันได้ผลตทํทำให้มันได้อย่างตอบเนี่ยพอเรามีสติคอยจดจ่อใจเรากัวความรู้สึกเราเนาใจเราความรู้สึกเรจอสติไว้มัอยูที่ลงอยูทีกพทโธหรอทีนี้สติของเราเนี่ยมันจะ จะไปติด อ, อยู่กับความรู้สกทางประสาท่างกาย ใส่ใจอยู่กับจิตใจแล้วก็ถอนออกจากตัวประสาทความรู้สึกทางรานกายาสมองก็ดีทาบรานกายก็ดีแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่ได้ถอนไม่ต้องไมใส่ใจนะใส่ใจ คนก็อาจจะรู <Stella> ้สึกว่าเออมันทำยากมากมีเวลาทําน้อยมากจริงๆมันไม่ไสู้อะไรเหลักสู้แค่วันเดียวมสู้วนเดียวหมาถึงอะไรเราจัดตารางชีวิตเราให้มันดีวันนี้วันนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้มันก็ไม่เคยถามมากหรอกดันั้นถ้าเราในตารางเวลาของเราในหนึ่งวันให้มันสู้ได้ทุกช่วงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทุกช่วงได้มันก็จะ แต่วันนี้ชนะพรุ่งนี้นก็ต้องชนะเหมือนกันนะนนสาคัญจริงๆว่าถ้าเราอยากจะงานทําให้มันดีรักษาให้มันดีเราก็ต้องไปจัดตารางชีวิตเราให้มันสอบคล้องกับการที่เราจะปฏิบัติทำให้มันดีเช่นช่วงไหนที่เรามีการงานมากกระาด จ, จะซึ้งยากตัดใจยากเราก็ไม่ละเลยสตินะแล้วช่วงไหนที่เรามีเวลาว่างมากขึ้นเราก็ไม่ละเลยที่เราจะข้อสมาธิ ไม่เอาเวลาไปใน้กับยูทู u เฟซบุ๊กหรือว่าบบ YouTube, Facebook, ะปดูหนังดูทีวีมากจนเกินไป่ามันเคยเป็นสงครามเยี่ยงเวลากัราระว่าที่เล็กต์กับธรรมะอะไรเร า, เราให้นได้จักรรางใชีวิตใช่ปัญหาแล้วมันก็ทำให้เราง่ายมีชีวิตที่เราง่ายต่อธรรมะพะมันก็เป็นชีวิตที่เราได้ใใดีกรายจากที่ีได้ดีแล้วโอกาสที่เราจะสู้ชนะโอกาสที่เราจะทควาสมสนัหรือ โอกาสที่เราจะชำระจิตใจให้มันสะอาดผ่องใสแล้วก็สะอาดผ่องใสได้บ่อยแล้วก็เรื่อยๆจะได้เป็นโอกาสที่เราจะขัดขวามาได้ได้ง่ายกว่าที่เราไม่ได้วานตารางชีวิตไม่ได้วันสำรวจการชีวิตของเราให้มันเรื่ององการปฏิบัติธรรมเพราะเราทำอย่างนี้แล้วเนีมันก็จะขึ้นเชื้อว่างเราก็มีใจจริ ที่จะปฏิกัตินั่นก็จะออาไวร้ระยะเวลาสั้นข้าวลาปรมาจีนั้สั้นไ ป, ป่อยครับก็สังขารต่างๆไม่เที่ยงก็คือตัดเตือ น, นก่อนว่าให้เรามีความขเขยมความเข้าใจที่มันจุดจิกอะไอยีสิ่งต่างๆไม่เทียงอันนี้คือท่านสรุปให้สรุป ว, ว่าก่อนจะตายเนี่ยคนที่พูดต้องพูดแบบว่า ถ้าจะพูดอาจารย์ท่า น, นรีกวาสุทธิยอดิวิชามีอะไระตักไว้มีเร่งธรรมาสังขารทุกอย่างไม่ที่ยรสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งนมามธรรมก็ดีทั้งเป็น ใครจะเติมัะไรก็ได้นล้วลก็จิด ท, ทั้งตัวกคือค้าที่เราจะแก้ทุกเรเื่องอย่าประมาณยังจิตทั้งตัวไม่ถึงพร้อมเจ็บปวไม่งแ้วีวันก็คือว่าปฏิยัติพัดคือห ะ, อาอะอมาเอนก็คอรืง่ง รู้ยนะร้อ ม, ม ก, กับ ว, วชออจจบบิชาหรือความรู้ถ้าเรามีสติกำกับใจแล้วมีอวิชชาก็อาจจะเล่ไม่ค่อยจะนักขึ้นถ้าเรามีสติกำกับใจพร้อมกับวิชาหรือความรู้ทำกกับใจไว้เราก็จะมีสติซึ่มัเป็นส่วนสติที่มันมีกำลังขึ้นเราก็พิจารณาควบคู่ไปด้วยเพราะเรามีวิชาหรือความรู้คอยทำกำกับใจแล้วมันก็ทําให้ ก็จะส่งดูวย